ผัสสะมากระทบเราห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นผัสสะที่เป็นกุศล น, นะยิ่งกระทบย้อยยิ่งดีเพราะงั้นจอภาพหายไปไม่ได้เห็นหลวงพ่อก็ขาดผัสสะที่เป็นกุศลไปช่องหนึ่งเดือนนี้เดือนกุมภาใช่ไหมกุมภาหลวงพ่อมันนึกได้นั่งรถมา หลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดูลนะครั้งแรกเลยนะหกกุมภาปี2 5งยสามสิบปีพอดีเลยนึกถึงหลวงปู่เหมือนหลวงปู่มาอยู่ด้วยวันนี้เทศธรรมะของหลวงปู่ให้ฟังหลวงปู่ดูลนั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากนะท่านสร้างบารมีมาทางจะเป็นพระปัจเจกพรพุทธเจ้า บารมีมากกว่าคนที่มุ่งเป็นสาวกปกติแต่เพราะมุ่งไปทางพระประเจดเนี่ยท่านเลยมีข้อจำกัดในการเทศนะท่านสอนพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้นะนะคำสอนของท่านจะสั้นๆประโยคหนึ่งสองประโยคให้ท่านมาขึ้นธรรมะเทศนะท่านไม่ทา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 ว่าท่านสอนใคอยังไงบ้างที่ไปรวมเป็นหนังสือขึ้นมาในประวัติท่านอะไรตอนไร น, นะก็ไปให้ลูกศิษย์คนหนึ่งสองคนนีเขียนท่านนั้นเองนะหลวงพ่อไปดูดูก็ไม่ใช่อย่างที่ท่านสอนเรานี่หลวงพ่อคลุกคลีอยู่กับลูกศิษย์ท่านเยอะรู้จักครูบาอาจารย์รุ่นรอ ง, ร อ, งรองจากท่านนะที่เป็นลูกศิษย์ท่านหลายองค์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 ธรรมท่านมีตั้งแต่เรื่องของสมถะกรรมฐานให้ทําสมถะนะไม่ใช่ไม่มีท่านสอนทําสมาถะท่าสอนตามจริตนิสัยอีกอย่างมีพระองค์ในชื่อหลวงพ่อคืนหลวงพคืนเนี่ยเป็ยังไม่ได้บวชในเรียดเนี่ยหลวงปู่ดุลย์แล้วชอบขึ้นไปภาวนาอยู่หินมะเป้งกับหลวงปู่เทศมีกล่าวเนึ่งไปขอกรรมฐานหลวงปู่ดุลบอก ให้พี่าจรนาผมเส้นเดียวนี่หลวงพ่อคืนท่านได้ยินนะว่าเอ๊ก่อนที่จะท่านจะเข้าไปถามคนอื่นไปถามก่อนนะหลวงปู่ให้พี่นาร่างกายทั้งร่างกายเลยของท่านเนี่ยให้ผมเส้นเดียวนะน้อยใจนะหลวงปู่สอนเราน้อยนอย น, อยนะคล้าย ห, หลวงปู่ลำเยียงให้กรรมาฐานเหล่านี้เดียวผมเส้นเดียวอะท่านไม่เอาเลยไม่ยอมทำ ไปอยู่หินมักเป้งมาภาวนาจนออกพรรษาหลายเดือนไม่ได้อะไรจิตก็ไม่สงบเนะีกลับมาอยู่บ้านตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชกลับมาอยู่บ้านก็ภาวนาต่อไอจิตก็ไม่รวมไม่สงบแล้วนึกถึงคําของหลวงปู่ดุลได้นะท่านก็นึกถึงผมเส้นเดียวนะเอามือจับผมเส้นหนึ่งเส้นมาเนะผมนี้รูปร่างอย่างนี้นะมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีอะไรนะพี่นาผมมีเส้นเดียวนะจิตรวมเลยเป็นสมาธิเลย ได้สมถะกรรมฐานเสร็จแล้วท่านก็เดินปัญญาต่อบางคนหลวงปู่ก็สอนให้ดูกระดูกดูกระดูกพิจารณากระดูกยังมีองค์ในชื่อหลวงพ่อ ง, งานพวกเราไม่รู้จักแล้วท่านเหล่านี้คงไม่ค่อยอยู่แล้วละสิ้นไปนเกือบหมดแล้วรุ่นที่ท่านหลวงปู่นะไม่ค่อยเหลือแล้วรุ่นเล็กเลยอย่างถ้านจาสุจินน์เนีาป่าเข้าไปหกสิบแล้วรุ่นหลวงพ่อเนี่ยรุ่นเล็กนะหกสิบเทียบตอนนี้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 สมถกรรมฐานที่หลวงปู่ดูลสอนนั้นมันหลากหลายมากเลยท่านสอนตามจริตนิสัยอย่างบางคนไปเรียนท่านสอนบอกว่าให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างรักษาจิตอยู่ข้างในให้ว่างๆอยู่ข้างในเงียบๆอยู่สงบอยู่ภายในในโลกศิษย์นีก้ก็เรียนได้แค่นี้แหละทั้งชีวิตเนาะพวกมันแต่รักษาจิตให้ว่างๆก็ต้อบอกหลวงปู่ดูลสอนสอนไหมสอน การประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในนั่นคือสมถากมฐานนะการที่ไปมองความว่างๆของจิตนี่ชื่อว่าอากาสานัญจายตนะเพียงอรูปนั่นเองถ้าทําได้ก็เข้าอารูปถ้าเข้าอารูปชนานาญนะตาตายไปก็ไปเป็นอรูปประมตอนที่พระเสีรยระยะเมตไตรมาตรัดเป็นพุทธเจ้าถ้าท่านนึกถึงนะท่านจะอุทธรณว่า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 งั้นจะบอกว่าหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนอะไรแต่ละคนท่านสอนแตกต่างตามจริตนิสัยนะคนไหนชอบส่งจิตออกนอกชอบเล่นอะไรแปลงๆอะไรให้รักษาจิตให้ว่างๆนิ่งๆอย่าไปยุ่งกับใครอยู่ข้างในคนเดียวเยก็ได้สงบนี่ระดับหนึ่งเลยนะขั้นต้นเลยขั้นต้นสุดเลยนะคือท่านสอนเรื่องสมถกรรมฐานท่านก็สอนสิ่งที่ได้ก็คือได้สมาธิชนิดที่เรียกว่าอารามนนานูปนิชฌาน จิตเพ่งแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ันเดียวนะอย่างดูผมเส้นเดียวก็เพ่งอยู่ในผมเส้นเดียวนะมันเป็นอะไรถูกไหมัันได้กระสินการที่เพ่งเห็นเส้นผมเป็นเส้นยาวๆเป็นท่อนๆนะมันคือกระสินกระสินดินกระสินสีถ้านะสีขาวสีดำมันก็เป็นกระสินสีรูปร่างของมันเป็นแพ่งๆเป็นท่อนๆก็เป็นกระสินดินก็ได้สมถะดูกระดูก นะมันก็คือเพง่งกสิณนะิกเมื่อได้สมถนะถ้าน้อมจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายใ น, นะนก็เป็นสมถนะจะได้ถึงอรูปฌานหลวงปู่ยังสอนมากกว่านั้นอีกนะคนไหนที่จิตก็มีสมาธิสงบพอสมควรแล้วท่านสอนต่ออีกนะท่านสอนให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะขยับขึ้นมาเพราะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันไม่ได้สงบอยู่เฉย แต่เป็นจิตที่ใช้เจริญปัญญาเป็นจิตที่ใช้เดินวิปัสสนาและเวลาอยู่ในอริยมรรคอริยผลนะมันก็จะเป็นจิตชนิดนี้แหละคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตชนิดนี้ทรงฌานชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานไม่ใช่อารามณูปนิชฌานแบบสมถะอารามณูปนิชฌานยังเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวลักขณูปนิชฌานนี้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน แล้วก็จะเห็นความเป็นตรวยักษ์ของกายของใจได้ท่านสอนเด็กคนหนึ่งนะสอนเด็กตอนนี้ไม่เด็กแล้วตอนนี้ว่ายุมากแล้วตอนนั้นเป็นเด็กๆท่านสอนไม่ใช่หลวงพ่อนะหลวงพ่อเจอท่านหลวงพ่ออายุ29สิบก้าแล้วท่านสอนให้พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตที่เป็นคนท่องพุทโธคือพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตนั่นเองพุทโธพุทโธนะรู้ทันจิตจิตนีไปแล้วรู้ทันจิตนีไปแล้วรู้ทันนี่แหละ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 ทันทีที่สติเกิดจิตที่ฟุง้งซ่านจะดับโดยอัโตโนมัติจะกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาไม่ใช่สงบแต่ว่าตั้งมั่นจิตที่สงบนะั้นจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่ ง, งเห็นผมเส้นเดียวก็คือผมเส้นเดียวกระดูกก็กระดูกอยู่แค่นั้นแหะหรือดูความว่างก็ว่างอยู่แค่นะั้นมีอยู่อารมณ์เดียวแต่จิตที่ตั้งมั่นเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดพุดโธไปหายใจไปจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา จิตนะ่าตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นะแต่อารมณ์เนี้ยเคลื่อนผ่านจิตไปเรื่อยๆความสุขความทุกข์ก็ไหลผ่านไปกุศลอกุศลไหลผ่านไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะัเหมือนภาพที่ไหลผ่านไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนรู้คนดูเท่านั้นเองนะนี่ท่านสอนบางคนนะให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะอันนี้แสดงว่าเขาเริ่มพัฒนาแล้วนะท่านก็เตรียมความพร้อมของเขาเพื่อจะเจริญปัญญาต่อไป ถ้าคนไหนจิตยังไม่ดีเลยฟุ้งซ่านมากอนะไรนั่นาก็สอนสมถะให้ก่อนให้สงบคนไหนมีบารมีมากขึ้นนะท่านก็สอนให้ฝึกอย่าสงบอย่างเดียวต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยนะสมัยก่อนที่หลวงพ่อสอนญาติโยมครั้งแรกๆนะก่อนหลวงพ่อบวชเองหลวงพ่อสอนอยังกระทั่งจิตมันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาเป็นคนรู้คนดูได้นะสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นของหายาก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 เพรนตัวเวทนาเนี่ยเป็นเจอเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะตัวสัญญาคือความจําได้ความหมายรู้จํารูปได้จําเสียงได้จํากลิ่นได้จํารสได้จําได้ชั้นเดียวก็เช่นเห็นสีเขียวรู้ว่าสีเขียวจําได้ชั้นเดียวจําได้สองชั้นก็แปลออกไปอีกสีเขียวไปให้ขับรถไปได้สีแดงให้หยุดอะไรเนี่ยเนี่ยนะสัญญาไม่เป็นคนจําจําได้แล้วก็หมายรู้นะ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 จิตที่เกิดที่ตาก็ชั่วคลาวเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจก็ชั่วคราวนี่จิตคิดก็มีชั่วคราวในการที่เราเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะนี่แหละเรียกว่าเรากําลังดูจิตอยู่การดูจิตไม่ใช่ไปดูตัวจิตนิ่งๆด้วยสติแต่ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาเรียกว่ารู้ด้วยอย่างสมัยที่หลวงปูดด่ดวลได้ธรรมะขั้นต้นแล้วนะท่านก็ไปเรียนต่อจากหลวงปู่มั่น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 ของหลวงปูดูลเนี่ยแค่เห็นสัญญากับสังขานี่ท่านก็ผ่านได้แล้วท่านก็เห็นท่านมาดูอยู่ไม่นานนะท่านก็เห็นแจ้งอริยสัจเห็นไหมท่านแจ้งอะไรแจ้งอริยสัจแปลกั้ยดูจิตแล้วไปแจ้งอริยสัจก็จะรู้เลยว่าตัวจิตนั่นแหละมันตัวทุกข์นะแล้วก็ตัวรูปตัวนามเนี่ยตัวทุกข์ตัวอยากมีตัณหาขึ้นมาจิตทยานอยากนะี่เป็นตัวสมุทย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 พระอุปถาผีใหญ่ไปว่าอะไรหลงพี่อ๋อภีรใหญ่เหรอเป็นปรอมอนาคา น, นี่เป็นภีใหญ่พวกนักปฏิบัติเราไปตายอยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยท่านเปลยเปลย อ, อย่างนี้นะท่านไม่สอนต่อนะเราก็ไม่ได้ถามอะไร น, ะนั่งคืนถามท่านก็ไม่พูดให้ฟังอยู่มาอีกเป็นปีเลยไปกราบท่านครั้งสุดท้ายนะปลายเดือนกันยานะปีสองหท่านสิน้น ปลายตุลาตัดปลายตุลาไปกลับท่านสามสิวันก่อนท่านมรณภาพท่านมรณภาพ30ตุลาไปกลับท่านตั้งแต่ตอนบ่ายนะท่านก็เทศให้ฟังนะเรื่องจิตคือพุทธะเรื่องอะไรต่ออะไระเรื่องอริยสัต์แห่งจิตเทศเทศเทศไปเราก็ฟังไปเรืยจนค่านะค่าแล้วหลวงปู่นะหอบเลยนั่งหอบหอบหอบอย่างเงี้ยนะเราโอ้หลวงปู่เหนื่อยมากแล้วหลวงปู่ก็อายุกเกือบร้อยแล้วนะ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 ปกติเวลาไปหาหลวงปู่ดุลเนี่ยขากลับจะต้องแวะกลับหลวงพ่อพุธท่านจะซักว่าหลวงปู่สอนอะไรนะท่านอธิบายเพิ่มให้คราวนี้ก็ท่านก็ถามนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรล่ะหลวงหลวงปู่สอนบอกว่าพวบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พวบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง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 คุณกับอาตมามาทํากติกากันถ้านใช้คำว่าทํากติกากันนะคล้ายๆมาเซ็นสัญญากันใครทําลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกั น, น <c oughs> เราทําลายไม่ได้หรอก <c oughs> <c oughs> อยู่มาจนปีเท่าไหร่อ่ะใกล้ๆท่านจะมรณภาพน ะ, นะอีกไม่กี่เดือนหลวงพ่อพุฒจะมรณภาพนะหลวงพ่อไปเจอท่านท่านประเทศที่องค์การโทรศัพท์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 นะท่านพูดขึ้นมาเนะีห้าวหาญมากเลยนะจิตท่านสว่างไสวนะท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทําลายเปลือกออกมาเองพูดประโยคนี้เลยนะจำได้เวิร์ดดิ้งเวิร์ดใบเวดเลยนะจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่รู้จักฟองไข่ไหมภาษาโบราณเหมือนไข่ไก่เงี้ย น, นะเหมือนฟองไข่จิต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 ก็จิตมันทุกข์ซะตัวเดียวตัวอื่นทุกหมดเลยนะพอเห็นแจ้งว่าจิตเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยการสลัดคืนจิตให้โลกจะเกิดขึ้นปฏิณิษฐ์สักขะขการสลัดคืนจะเกิดขึ้นจะสลัดจิตทิ้งไปนะบางท่านมีสาวเอฟเฟกต์ด้วยแต่สลัดน้ฟ้าผ่าแผ่นดินไหวโลกกระเทือน น, นีมีสาวเอฟเฟกต์นะบางท่านก็ไม่รู้เรื่องเลยขาดพึ้งกระเด็นไปเลยนะไม่มีรุดลาย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 เนะคลิมว่อ้จิตของเรานี่แหละเป็นพุทธเราเป็นมารต่างหาก <c oughs> จิตเรานั่นแหละตัวอภิสังขารมารตัวปรุงนะเป็นเทวปุตตมารเป็นตัวเทวบุตตมารตัวจริงเลยแล้วก็มีอภิสังขารมานมีกิเลสมารเป็นเพื่อนนะงั้นอย่ามาอวดว่าจิตของเราเป็นพุทธาอยู่แล้วจิตเราไม่ได้เป็นพุทธจิตเราเป็นมารมีแต่อวิชชาตัณหาอุปาทานมีกิเลสมีอาสวะมีอนุสัยอยู่เพียบเลย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 นันจิตลาลาหาันท่านหมดอะไรหมดหน้าที่หมดภาระแล้วเห็นไหมคําสอนของท่านมีหลายขั้นหลายตอนนะนัไม่ใช่เอาหัวเป็นท้ายเอาท้ายเป็นหัวอ้างว่าหลวงปู่ ด, ดูลสอนมาเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยคำสอนของท่านจะมีอีกชนิดหนึ่งเห็นไหมท่านเริ่มมาตั้งแต่สมถะนะคือฝึกให้ได้อารามโนปนิชานขั้นที่สองฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเพื่อเตรียมไวเดินปัญญาเรียกว่ามีลักขณูปนิชาน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 พอไม่ตายท่านหายป่วยหายอาพาธนะแล้วท่านก็ไปหาหลวงปู่หลวงปู่สมอาพาธหนักนะแล้วก็มันรอดมาได้เนะี่ยอยากถามหลวงปู่ว่าถ้าตอนเจ็บหนักนะตอนใกล้ตายเนะี่ยเราควรจะวางจิตอย่างไรควรจะทําจิตอย่างไรหลวงปู่บอกว่าเออท่ามยังไม่จบนะตอนนั้นนะ่ะต้องทาแบบเรียกว่าตกกระไดพลอยโจร น, นะตกกระไดพลอยโจรหมายความว่า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 มีแต่จิตหลงเข้าไปในช่องว่าง น, นั่นจิตทำอรูปทำสมถะนะงั้นท่านภาวนานท่านมาได้ขั้นหนึ่งแล้วนะข้าหมายถึงท่านภาวนานได้ได้เก่งแล้วลนะ่ะท่านก็ทำได้อะไรเงี้ยนั้นเป็นคำสอนเฉพาะตัวเรียกว่าท่านเรียกว่าตกกระไดพลอยโจนถ้าพูดศัพทางวิชาการั น, นก็จะถ้าทำสาเร็จนะจะเป็นพระราหันชนิดชีวิตตะสมะสีสี คือตายในขนาดที่บรรลุพระอรหันต์พอดีเลยพวกเราไม่ควรเสี่ยม <laughs> <laughs> อันนั้นหมายถึงว่าหมดโอกาสอื่นแล้วนึกห อ, อกไหมหมดโอกาสอื่นแล้วอยู่ๆฉันไม่พอนาหรอกเดี๋ยวฉันจะไปว่างตอนตายโถตายอยังเขียดใช่ไ <laughs> ม <laughs> คำสอนหลวงปู่นะเป็นขั้นเป็นตอนครอบคลุมประณีตลึกซึง้งแต่ไม่มีใคร ร, รวมไม่ได้หรอก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 หลวงพ่อมอนต่อจิ๊กซอให้พวกเราดูเพราะพวกเราขี้เกียจกว่าหลวงพ่อห <c oughs> ลวงพ่อเราครูบาอาจารย์ท่านให้ต้นทุนมานิดหนึ่งนะเรามาทำมาหากินขยายต้นทุนขึ้นมานะ <c oughs> พวกเราหลวงพ่อให้แค่นี้ร <c oughs> ับไว้ใส่ย่าใส่กระเป๋าไปก่อ <c> น <oughs> เดี๋ยวอีกเดือนมารับอีกงันใส่อ <c oughs> อันเก่าหายไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้เรื่องนะนะ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 สี่ขวบมันดูจิตได้แล้วมัอาศัยฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะใครว่าดูจิตยากนะวันหลังจะเชิญเด็กสี่ขวบมาเทศให้ฟังหลวงพ่อมีหลานอยู่คนนึงหลานอายุสักสิบปีเก้าปีตอนนั้นนะมันพูดเลยว่าอ๋อการเพ่งนี่มันหลงนะแต่มันเป็นหลงแบบมีปัญญาหน่อยอ๋อมันพูดถูกนะทำสมถะเนี่ยต้องมีปัญญานะแต่เป็นปัญญาขั้นสมถะ แต่หลงไหมหลงก็มันสร้างพบสร้างชาติอยู่นั่นเด็กเก้าขวบนะเพราะฉนั้นถ้าใครบอกดูจิตยากโดยจิตยากนะะหลังจะเรียกเด็กๆมาเทศให้ฟังหลวงพ่อ ม, มีลูกศิษย์รุ่นจิ๋วๆอยู่หลายคนแต่ยังสอนได้ไม่ดีเท่าที่ภาษารีบุตรสอนลูกศิษย์ภาษาลีบุตรนะัมีเนร์อยู่ในสังกัดเนี่ยหลายองค์เป็นพระอาหารหันต์ด้วยอายุเจ็ดขวบมีตั้งหลายองคนะ์นี พวกเราเจ็ดสิบยังไม่เป็นเลยนั่นเนรเจ็ดขวบเป็นพระอราหารันเนรท่านน่ารักเนรท่านน่ารักมากแต่ละองค์แต่ละองค์มีอยู่คราวหนึ่งนะมีนางพรามณีอยากจะทำบุญบ้านแล้วสั่งสามีไปที่วัดไปนิมนต์พระมาเลือกพระแก่ๆนะจะได้ขลังอย่าไปนิมนต์พระเด็กๆมานะไปบอกเลย ว่าขอนิมนต์พระเถระปรากฏไปนิมนต์พระวันนั้นนะพระไม่มีพระไม่พอไปที่อื่นหมดแล้วเหลือแต่เนนพระที่เป็นคนจัดคิวส่งเนนมาท่านถือว่าเนเนเนี่ยเป็นพระเถระเนะถระหรือไม่เถระไม่ใช่อยู่ที่พรรษานะอยู่ที่คุณธรรมท่านถือว่าเนนนี่เป็นพระเถระงั้นตรงสเปกโยมแต่ไม่ตรงใจโยมหรอก สามีน่ก็พาเนนมาบ้านมาหลายองค์เลยมาถึงบ้านหญ่ท่านอยู่ในครัวชงเชง้งชงเชง้งคงทำอะไรอยู่ในครัวนะเห็นได้เวลาแล้วจะโงกมาเฮ้ยเนนทั้งนั้นเลยนะสามีเรียกเนนขึ้นนั่งเรียงแถวอย่างนี้เอาบาตมาตั้งเตรียมจะฉันนะเดี๋ยวยกจากครัวก็ฉันได้ล้วันนี้มโนไปฉันเนี่ยไม่ได้มโนอไอสวดเนี่ยสมัยก่อนนิมนต์ไปฉันก็คือฉันนะ ฉันเสร็จแล้วถึงจะเทศอะไรให้ฟังนิดนิดหน่อยๆเช่นยะถาวาริวาหาน้ําหยดทีละหยดนะก็ยังเต็มตุ่มฐานที่ทําจีรน้อยก็เต็มเหมือนกัน mm hmm. เทศนะนะไม่ใช่ให้ผอรนอนเรนถือว่าพระให้พรอคมจริงพระเทศให้ฟังเราแปลไม่ออกก็เลย mm hmm. มีอายุวันโนสุขังพลังเอออายุวนันหนังสุขังพลโล mm hmm. คงจะให้พรเปล mm ่า hmm. ท่านบอกว่าตอนท้ายนะ mm hmm. การที่เคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ จะส่งผลให้มีอายุวันน่าสุขขาวภละเห็นเรื่องเทศเท่านั้นเอยยายพรามนีโปรมาเห็นเนนเะฮ้ยไปเอาเนนมาทำไมไปไปไปให้หมดไอ้เนนพวกเนี้ยไม่ให้กินหรอกเสียของจะให้นิมนต์ผู้ใหญ่เนนท่านก็ดีนะเขาไล่ก็ลุกเลยนะเขาไม่ให้กินแบไปหาที่อื่นก็ได้วะแล้วลุกออกมาเป็นแถวเลยไอ้ชาวบ้านที่ไปร่วมงานเฮ้ยทาอย่างนี้ได้ยังไง ไม่ถูกเนี่ยด่าอิตผัวนะอิตผัวอ้าวเนนเนเนเชิญเนนขึ้นไปนั่งต่อเ <laughs> นี่ยถูกเขาไล่ขึ้นไล่ลงอยู่หลายรอบนะจนในที่สุดประชามติเขาจะด่าอีน่งคนนี้แล้วนะอา้าวอยากกินก็กินไปวันนี้ไม่ได้บุญแล้วนะเนนฉันเสร็จนะบางองค์ก็เหาะขึ้นไปมางองค์ก็ดำดินไปบางองค์ก็หายตัวกลับวัดนะยายพราหมณีนี่ยปลื้มมากเลย โอ้โเนนนี dem g, dem g, dem g, ่เก่งจริงๆเทศเรื่องอะไรเนี่ยทาไมมันออกมาเรื่องเดนจะบอกว่าดูจิตไม่ยากหรอกเด็กๆมันยังดูเป็นเลยนะแก่จนหัวเริ่มงอกย้อมผมแล้วบางคนก็อย่าว่าดูยากอะไรนักหนาจิตมีความสุขรู้ไหมจิตมีความทุกรู้ไหมกรู้ทุกคนเหระ จิตมีราคะมีความโลภรู้ไมมีความโกรธรู้ไหมรู้ได้ทุกคนนะแต่ละเลยที่จะรู้มันแค่ละเลยเท่านั้นแหละเวลาเห็นสาวสวยใจมันรักขึ้นมามีราคาขึ้นมามัวแต่ดูสาวไม่ดูจิตที่กำลังมีราคะก็แค่นั้นเองถ้าย้อนมาดูจิตที่มีราคาราคะก็กระเด็นตกเวทีไปเท่านั้นเอง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 พอเห็นจิตเกิดดับมากเข้ามากเข้าสุดท้ายมันปิ้งขึ้นมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับนะโดยเาจิตนั่นแหละไม่มีความเป็นตัวเป็นตนถาวรตรงไห น, นไม่มีอมตอะเลยได้อย่างนี้ก็คือได้พระโสดาบันถัดจากนั้นก็ดูเหมือนเดิมนี้แหละจงทํายานเห็นจิตให้เหมือนทางตาเห็นรูปบางท่านท่านเชื่อนะว่าขั้นโสดาเนี่ยต้องดูกายสกทาคาอนาคาต้องดูกายไม่จริงหรอกอันนั้นขัดกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะ พาสติปัฏฐานสีนะ่นั้นเหมือนประตูเมืองสี่ทิศนะดูเข้าประตูทิศใดก็ได้เท่าสิ้นแหละน ะ, ะวันนี้เท่านี้ก่อนนะรู้จกักหลวงปู่ดูลบ้างหรือยังไม่ธรรมดานะสอนตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกคูกเลยแล้วหลังหอนกคู่ก็สอนถึงว่าหมดกิเลสแล้วสภาวะของจิตเป็นยงไงท่านยังพูดให้ฟังองีก ท่านพูดถึงกระทั่งลีลาการเข้าก น, นิพพานแต่หลวงพ่อไม่เทศให้พวกเราฟังฮนะเดี๋ยวพวกเราไปคิดเอาคิดเอาเองไม่ได้กินหรอกกิเลสเอาไปกินหมดเลยครับโอกาสสุดท้ายนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในสาราหลวงชินแห่งนี้นะครับกล่าวคำถวายทานที่มีผู้นำมาถวายไว้ครับ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 อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายยโกภวะ ปิวาทนาสีลิสนิตจังวุธาปัจายิโนจัตตารโรธรรมาวัันเตียยุวันโนสุขังพระลังภาวนานะอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆ